เ อ, เอามาท่าบอกว่าเคยอนั้นจริงๆเนี่ยอามานึกว่าจะ ม, มาฟังกันเยอะที่จะสรุป ก, กันวันนี้นึกว่ากลุ่มที่เรียนสติปัฏฐานทั้งหมดมาเนี่ยอามาอยากจะถามที่นิโมเนี่ยมาบรรยายสติปัฏฐานเนี่ยนะแล้วอามาจะถามให้เจาะชิงลึกทั้งหมดก็ได้ทานทั้งสองวันก็ได้ามาจะคุยเรื่องทานนี่เนี่ย และอยากจะดูหน่อยว่าใครที่เข้าใจเรื่องทามเคยมานั่งฟังตรงนี้หน่อยสิเพื่อที่เคยบริอยากทานก็นมาเยอะๆด้วยมาจะมานั่งคุยตรงนี้เข้าใจตอนนี้มาอจากเชิญชวนเลยนะเออมากันเยอะๆมานั่งฟังเรามาอยากคุยเนี่ยมานั่งเปิดใจคุยกันอย่างเงี้ยอยากรู้จริงๆว่าเรื่องทานเนี่ยเข้าใจแค่ไห น, น้่ะ อาี๋ยมาจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาจะเจาะเชิงลึกให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราตกม้าตายไปเรียนสติปัฏฐานได้ไม่เข้าใจทานเพรอะไรเอาอางี้นะเอามาพูดเอามาพูดเบื้องต้นไว้ก่อนนะแล้วเอามาจะเชิญชวนเบื้องปลายดูว่าทานสูงสุดมันคืออะไรรู้ไหมปริจจาคาวุสัคะคือการบริจากกิเลสและขันห้า บริจาค ก, กิเลสและขันหา้านั่งในทานเอาลยสินีเนั่นคือยอดของทานแล้วอันนี้พูดเบื้องต้นก่อนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเนี่ยที่ว่าเข้าใจทานกันเนี่ยบรจจา ถึงถึงบอกไงนี่นี่อมาก็อ้าวอยากให้สอนสติปัฏฐานนะได้ไมอยากหรอกบรรยายไปมันก็มาก็นั่งไปเอามาก็มองสาวพวกเราเลยไม่ใช่ไม่มองถ้าจำไหมเนี่ยจำไปสี่ล้ไม่เคยอยู่กอ้าวต่อเดี๋ยวนี้ยังเพิ่มโยน ภาวะนี้คือความสมบูรณ์เ่งครบใช่ไหยความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจและความสมบูรณ์ของสิ่งแวดแล้อมคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกนั่นเราเรียกความสมบูรณ์เ่งครบชาติตรงนี้ก็มาตรวจสอบดูว่าทานกะุศลของเราเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ขอยกในสัพปริสถานใน ปัญจมานีทิกเวสปุริสถานานีกัตเมนีปัญจะนะออดูในดูตรงนี้เปรียบเทียบนิดนึงพระบรมศา ส, สดาตรัสไว้มาในอังคตระนิกายปัญจากานิบาตพระบาลีเนี่ยเราไปดูตรวจสอบได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสปุริสถานมีอยู่ห้าประการห้าประการเป็นจไหนการบริจาคทานด้วยความเลื่อมใสคือมีความเชื่อ ความเลื่อมใสความเชื่อความเลื่อมใสต่อสัยตย์เยาวะถุเรารู้ไหมว่าเชื่อในถ้าเชื่อในกรรมและผลของกรรมเนี่ยเป็นศรัทธาทานเนี่ยนะนี่ก็เรียกว่าศรัทธาทานมาจากคาว่าศรัทธาศัทธาญาทานัาาาาานางเทติเนี่ยคือเชื่อในกรรมและผลของกรรมถามว่าเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยเชื่อ คุณของพระพุทธเจ้าว่าทำและพระสงฆ์ด้วยไหมเชื่อใช่ไหมเชื่อใช่ไหมในกรณีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาทานศรัทธาทานเมื่อกี้ทักคือปรานประานมานั่งให้สรุปสติประทานเอออย่าถามเลยเดีนี้เมื่อวันนี้มาก็รู้สึกเออ เพราะอามาถูกมิมนให้บรรยายสติปัฏฐานใช่ไมเ้ยเอมาเราสรุปเนี่ยมาก็เลยมาสรุปประเด็นเนี่ยทานในผู้สนเนี่ยอยู่ในอนุสติข้อไหนจารคานุสติจาระคานุสติใช่ไหมแล้วอยู่ในสติปัฏฐานหมดไหนขัว อยู่ในอนุสติใช่ไหมอ <c oughs> น, นุสติสิเคยบอกไปแล้วทีนี้ถามว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผลของกรเชื่อกรรมและผลของกรรมนะส่วนการบริจาคทานโดยความเคารพทั้งกระทรมตัวเองและทายาธรรมให้สะอาดหมดจดนั้นเป็นสักกัจจฐานนั่นอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามาจากคําว่าสัพ ก, กัจจทา น, นางังเทติเนี่ย นี่บริจาคการสละด้วยความเคารพเนี่ยนะส่วนการบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การนีการเนี่ยนยีอันที่เป็นกาการละทานนั้นอย่างนี้เป็นการละทานมาจากคาว่ากาเรณนะทานาังเทตเิและการจับทานโดยการสละอย่างแท้จริงไม่มีการยึดติดไม่มีการยึดติดในวัตถุทาน น, นั้นๆอันนี้เป็นอนุขหิตาทา น, นนั้นอย่างหนึ่ง และการบริจาคทานโดยไม่มีการกระทบตนและกระทบผู้อื่นอันนั้นเป็นอนุ ป, ปหจจทานนั้นอย่างเดียวไอนน้ดูประเด็นตรงนี้ก่อนนะแล้วไปสรุปประเด็นอีกทีทีนี้ศรัทธาทานพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริจาคทานด้วยความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมและการกระทํานั้นๆอย่างที่ว่าพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้า เธอทั้งหลายเนี่ยเชื่อนะเห็นอานิสงส์ของทานอย่างที่ตาคตเห็นหรือเชื่ออย่างที่ตาคดเห็นจกไม่จกไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มี น, น, นี่คืออะไรเนี่ย น, นี่คืออะไรอ่ะ อันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าพระศาสดาเห็นอะไรเห็นทานได้ตลอดสายเห็นทานูุสงนะ์ได้ตลอดสายยันสูงสุดจนถึงสละกิเลสแลกขนันห้าถึงตั้งประเด็นแต่ที่แรกว่าเรามองโลกใบนี้เอาโลกใบนี้เียนะถ้าเราย่อโลกใบนี้มาไว้ในมือในโลกใบนี้ พระศาสดาให้เรามองเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานตาแต่ในข้อที่จริงพวกเรามองเป็นอะไรวัตถุกามเป็นเราก็ไม่เกิดชิดเจษฎาเราเลยไม่มีบริจาคเราไม่มีปริจาคลักขัขนธ์ทั้งๆ ท, ที่เป็นวัตถุสิ่งของที่คนบริจาคทีนี้เราเข้ามาในพระศาสนาของพระชินเจ้าผู้เบเสด เราก็บอกว่ามอบกายถวายชีวิตแต่พระผู้มีภาะเจ้าแปว่าบริจาคไปแล้วบริจาคไป้ก็แสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายเราเนี่ยที่เป็นทรัพย์สมบัติติดกายเั็นสิ้นหรือว่าถวายแต่ร่างกายกับชีวิตถวายแต่ขันห้าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยขันห้าถวายด้วยมั้ง ม, มีอะไรห้อยๆติดขันห้าหรอา มันน่าแปลเหมือนคนไทยเราเนี่ยมือมอกกายถาวายชีวิตแตกๆกันดีทีนี้ศรัทธาทานภาษาสดาตรัสว่าผลของทานชนิดนี้ย่อมเกิดขึ้นในภพต่อๆไปก็คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากใช่ไหมขั้งพร้อมด้วยการมคุณก็คือพั้งพร้อมไปได้วยสีรูปเสียงกิ่รสสัมผัสและธรรมอารมณ์นและสิ่งแวดล้อมในมีรถ ส่วนโรคเฉียงกินรสธรรมารมณ์ที่เป็นภายในก็ห น, น, น้างดงามหน้าดูหน้าเรื่อมใสผิวพนันณบนะั้ร่างกายก็าเปล่งปลั่งอันนี้เป็นผลของศรัท ธ, ธาทานคือให้แล้วมีศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนี้กรรมและผลของกรรมทีนี้ถ้าพูดไปก็คือว่าให้แกสัตเดรัจฉานให้แกบุคคลที่ทุตศีลให้แกบุคคลที่มีศีลให้แกบุคคลที่ ได้สมาบัดภาททยนอกศาสนาแล้วก็ให้แกบุคคลที่ปรารถนาจะาบรรลุหรือกลังจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาบันเป็นต้นอ น, นั้นหาประมาณไม่ได้ใช่ไหยที่บอกไว้แล้วส่วนสักการะทานดูความวิษุท์ทั้งหลายผู้บริจาคทานด้วยความเคารพและกระทำตนเองและทายธรรมให้สะอาดหมดจดคำว่าเคารพในที่นี้หมายถึงยางไงเคารพนี่เเคารพยังไง เอาการทำเคารพนี่เขาทำยังไงให้ทานโดยทำเคารพนี่เขาเขาทำยังไง ค, คือ <c oughs> การบริจาคเดยกาก็ทําตัวเองแล้วไทยทําให้สะอาดไทยธรรมที่ได้มาใชนั้นะอันนี้ไปเชื่อมโยงในโน้นเนี่ยคุณระบุใช่ไหมดูก่อนขึ้นาบดีไงนะหรือไปดูบอกว่า ประโยชน์สุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สี่อย่างเนี่ยสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สุขเกิดแต่การประพฤติกายกรรมวิญญกรรมมโนโกรรมที่ไร้โทษเนะี่ยสี่อย่าง <c oughs> คําว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็คือกุลบุตรเนี่ยนะอาศัยอะไรกําลังแขนอาศัยเรียวยแรงเนะียอย่างอาบเหนือทานะอําน้ำเห็ตดรรดาไปแล้ว สอนนังสือต้องใช้เลี้ยวใช้แรงเลยไหมอามือต่างนะ้ำมือไหลใครย้ยอยเวลาสอนไปต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเดินทางๆๆๆอะไรต่างๆ่างเาเนี้ยนั่นแหละก็ด้วยลําแข้งด้วยเลี้ยวแรงด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ได้มาโดยทำนั่นเป็นของชอบทำอั น, นแปลว่าอะไรแปลว่าประพฤติจานี่ศีไง เราพึจ่ายเลี้สินไม่ใช่ได้มาด้วยความเครียดความมีตกกังวลใดๆนะเพราะอะไรเพราะคิดทุกอย่างว่าที่ได้ทซั์มาทั้งหมดเนี่ยพอเราจะให้คิดแบบนี้ไหมนะ่ะที่เราได้มาเราจะให้มันมีปริจจาคารคณังไงถ้าคนเขาเป็นเขาเป็นแบบนี้เราเจได้ที่เขาวางใจตั้งตั้งตั้งใจไว้เป็นเนี่ยเพราะเขคิดอยากให้ อันแรกก็คือให้แก่พ่อแม่บุตรภรรยาบ่าไพ่ไงแล้วตอนตนเองให้เป็นสุขเนี่ยจินที่คิดจะให้มันเป็นบุญมไหมทุกวันเนี่ยเราทำเป็นถูกไหแล้วก็ไม่ถูกเพราะเราไม่ใช่อริยะสาวุกในพระธรรมนี้ในนี้ใช่ใชไหมในนั้ น, นพระศ า, าสดาตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนก็เลยทำดีทั้งหลายอริยะสาวกในพระธรรมนี้ในนี้ แสวงหาทรัพย์ด้วยความหมันด้วยความข ย, ขยันหมั่นเพียนด้วยลําแข้งอย่างอาบเหนือต่างน้ําได้มาโดยทํำเป็นของชอบทำอันนั้นแปลว่าท่านมีจารีตศีลจารีตศีลจารีศรีลเจตนาศีล เ, เป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของเจตนาที่ในมหาพุทธศลแต่ว่า เป็นปารลภจารีสินก็จริงอยู่แต่ว่าจิตที่ปารลภนะั้นเป็นทานนะคุณสงศ์เพราะเมื่อคิดอยู่ตลอดเวลากว่าจะได้เงินเดือนมาเนี่ยเราคิดเป็นสิจะจะภูมิใจนะเพราะเราคิดที่สอนทุกคําพูดทุกคาพูดเนี่ยเพื่อจักอะไรเพื่อจักเอามาให้เป็นทานไหมว่อาอย่างเงี้ยทุกวันนี้ถ้าเราให้ลูกด้วยโลภะเนี่ยเป็นทานหรือไ่เป็น ให้ด้วยโทสะให้ด้วยโมหะเป็นทานอุศนไหมมันมีวัตถุอยู่ยไหมนี่เรียกว่าวัตถุทานไหมแต่พอด้วยโลภะโทสะมั น, นกลายเป็นวัตถุเก่าวอย่างนี้เพราะต้องขัดเน้สตัวแรกอย่าลืมนะว่าพราะพรทาธมา ศ, าศาสดาทรงหมายถึงว่าคําว่าวัตคําว่าทานในที่นั้ น, น่ะขับเน้นเจตนาที่เป็นไปกับอุศนเ ข, ข้าใจว่า พระองค์ทรงขับเน้นเจตนาที่เป็นไปกับกุศลไม่ได้ขับเน้นเจตนาที่เป็นไปกับอกุศลถ้าหากเจตนาที่เป็นไปกับกุศลอย่างพระทิพย์บินธบาติที่มายกตัวอย่างถ้ามาไปบินธบาตนะไปบินธบาติแต่ามาไปคิดไม่ได้มีเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่จะให้ที่จะนอกน้อมที่จะถวายเด่สง ออมาจะไม่มีเจตนาฐานเลยที่เป็นปุกพ้าเจตนาเลยแล้วไม่แข็งแรงเลยแล้วชาวพุทธเรานี่ตกมาตายกันเราเดินเราไม่รู้ว่าจริงๆกุศลนะั้นท่านขับเน้นนามะธรรมคนา่าทานเนี่ยไม่ใช่วัตถุแต่วัตถุนั้นเป็นตัวร้องแต่ถ้าตัวประธานจริงๆนะั้นท่านหมายถึงตัวนามธรรมานามะธรรมา และเจ้าจะ ต, ต้องมีการระดมระดมกุศลเอางี้ถ้าดรระ ด, ดามาเขาถ้ามาพูดคําว่าทักนรดาเนี่ยแปลว่าพูดทุกคนไหมพูดทุกคนแล้วนะไม่ใช่เออไม่ได้เรียกเรายอมการเจรนานั่งเฉยอะไรได้วยเนี่ยใช่ไหมออไม่ได้เรียกฉันนี่เขาแปลว่าเรียกคนหนึ่งกระทบทั้งหมดเหมือนพระเจ้าใช้คาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะ่ะ นิยมแก้วคนนั่งหลับที่ตะเนียร์ใช่ไหมก็หลับได้เลยเ น, นี่บอกไม่ได้เรียกเราเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเข้าใจประโยชน่ะจะได้โอเนี่จริงๆก็เรียกทุกคนเพราะเรามาเดินตามรอยบาทพระศาสดาม่ะเออเดินตามรอยบาทพระศาสดาถ้าพระบรมศาสาศดาบอกว่าดูก่อนพิสูุน์ถึงหลายทุกคนเราเล่าเราเป็นข้อหา อย่างนี้ก็จบเลยเงียวพากันเหนื่อยเลยต้องไล่ทุกคำพูดเลยนะึงอ๋อทีถ่าถามว่าให้ให้นาฬิกาหนึ่งเรือนให้เป็นทานนะเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจงให้แกพ้าอย่างเดียวใช่ไห ม, มถ้าไปดูในทักคินาวิพังกสูตรเนี่ยพระ อ, องค์ใช้คาว่าให้แกสัตวิราชไร้ฉันมีได้ร้อยอักละห้า ให้กับบคคทุตศีลได้พันอัตภาพให้กับบุคล 1, บบคลที่มีศีลได้แสนนะแสนโกดีเออเออได้แสนอัตภาพได้กับให้กับบุคคลที่ที่ได้สมาบัติแต่ภายนอกอ่นะได้แสนโกธอัตภาพถ้าให้บุคคลที่ปาราลบในการที่จะบรรลุสวดด h a r m ท่านเริ่มตั้งแต่ไหนรู้ไหมเริ่มตั้งแต่ตั้งสารณคมร พูดทางจารานังกระฉาเนี่ยเพื่อปาราบความพ้นทุกข์เนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าหาประมาณมีได้เป็นต้นไปสกาทาคานาคาอาหารไล่ไปดูไปดูในทักขินนางไม่ปูกทักขินนางไม่ปังกระส่วนทักในทักขินอาไม่ปังมระสุนไปดูในเรื่องที่หยิบสาวไปตัวจสอบไม่ได้หรือไไม่ได้ ทีนี้ถ้าดูอย่างนี้จะได้จะได้เห็นเห็นหมุมมาจริงๆแล้วเนี่ยนะที่พระศาสดาท่านขับเน้นถ้าให้เนี่ยพี่บอกให้นาฬิกาว่าถวายหรือสละเป้าหมายอยู่ที่นาฬิกาหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอ ย, อยู่ที่ปริมาณถ้าบอกว่า นาฬิกาก็เหมือนกับโลโม่หินในยะมีนก็คือตัวโลโม่หินเนะี่ยถ้าเอาไปตั้งไว้เฉยๆเลยเนะี่ยไม่ได้ผลิตเม็ดหินออกมาเลยอนะแล้วเจ๊งไหมตรงนี้เจ๊งไหมแล้วเนี่ยกรณีโยมดัรนดาเอามาตมมือมาถวายคะแล้วมาวางไว้ที่ศีรษะแล้วเม็ดของกุศลมันไม่วิ่งอย่างกระโดดเลยเนะี่ยแล้วแล้ว แล้วจะมีผลไหมเนี่ยพีผ่ผลน้อยมากแล้วทําไม ด, ดึงคุณธรรมที่เป็นเจตนาทานทั้งหลายที่เป็นทั้งปุพพารเจตนาทาน์มูลจากเจตนาทานอปรรษเจตนาทานทําไมไม่ไหลามายอย่างหาประมาณไม่ได้ล่ะปริมาณกุศล ม, มันจะไม่ทําไมไม่ออกมาอย่างมากมายเลยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเราไม่เข้าใจไงเราไปเนื่องว่าเป็นตัววัตถุ เป้าหมายที่พระองค์ทรงหมายคือหมายความว่าทําให้กุศลนะออกมาเยอะๆออกมาใมากเป็นหน้าการค้าใช่ไหมถ้ากุศลเดินไม่ได้เนี่ยนี่เราค้ากุศลนี่แล้วเมื่อไหร่จะได้อปปนากุศลแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคกุศล ถ้าการมารวาจรุษลไม่ไหลอย่างมากมายถ้าไม่ไหลอย่างมากมายเรามองเห็นไอย่างเดีนเนยนะ เ, เราดึงกุษเจตนาออกมาไม่ได้ดึงออกมาไม่ได้เพราะขาดปุพพาเจตนาที่ดีขาดปุพพาเจตนาที่ดี เป็นอย่างนั้นไปโยมวัตโยมพวัตเนี่ยไปหาพิจารณาของในพระเนี่ยลองตรึงไปตั้งแต่แรกสินี่นี่ไม่ทํำนี่ครับทุกวลนไม่ใช่คือทํำอุศนให้เกิดขึ้นนะ่ะเกิดเยอะนะไม่ใช่ตกิดอย่างนั้นนะที่อมาที่ต้องการเนี่ยทําอย่างพระทำอ่ะที่ทุกอย่างก้าที่เดินไปเนี่ยของเนี่ยนะของอาหาร ที่ได้ในบาต ท, ที่โยมใส่มาเนี่ยทุกทัพพีเนี่ยเราจะถวายแด่สงฆ้าสงยังไม่ได้ยังไม่ได้ถวายสงก่อนเราจะไม่เอาหารนั้นเข้าสู่กับเพาะเราแล้วท่านคีดไปตลอดกดยันได้แล้วก็ท่านก็ทำตลอดเหมือนอยังอาบเื่อตังน้ำไหม อางเกงือต่างท้าได้มาโดยทํามไหมเป็นอาชีวประดิษฐีติไหม ไ, <ป S 1> ได้มาโดยทําเป็นของชอบทำด้วยลำแค้นเดินไปด้วยลงขาตนเองเนี่ยเดินมาด้วยลำขาทําอย่างท้าที่ามาบอกเนี่ยไม่ใช่ทําอย่างโยงบวชทาอย่างพระเนี่ยเพราะถ้าอย่างเนี้ยมันจะทุกทุกข์หน่อย ที่เราคิดไปเนะ่ยเพราะว่า เ, าเป็นอะไรเป็นสมาชิบถ้าเป็นฆราวาสเป็นสมาชิบเป็นอาชีวปริสุ์ที่ไม่ให้กายยุทธจริตวจียุทธจริตเป็นไปในขนาดนั้น mm hmm. เพราะเราจะเอาของไปให้ไปสละไปบริจาคใช่ไหมเพราะถ้าสละบริจาคอย่างนี้กิจของทานจะเกิดขึ้นทันที mm hmm. โลภาสนารสร์คือการทําลายโลภะจะถูกจะถูกทําลาย เพรของที่ได้มายากหัวงไหมจะหัวงเออจะเกิดรู้สึกหัวงก็ลอ ง, อ ง, องคิดดูนะว่าถ้าเราดูในชาดกเนี่ยที่เป็นตักน้ําอ่ะตักน้ําที่บ่อในวัดแล้วก็มามาคุกเข่าถวายพาระทํำปฏิญญาอยังบรรลุได้ยังเป็นปัจจัยในการบรรลุได้นั่นทา น, นเะยนะก็น้ําำเป็นของธรรมชาติไหม เป็นของสาธารณะไหมเนี่ยเออรู้จักที่จะเดินไปตักกันมาแล้วก็มาวิจัยไข้ควรพิจารณาเนี่ยสี่็เป็นประทานได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้ทรามารมก็นด้ใช่มั้ยโอชาทั้งหลายที่อยู่ในน้ำอะ่ะก็ไปหล่อเลี้ยงกระแสของรู ป, ปรขันของพระเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ท่านนั้นมีความสดชื่นมีพละกกำลังในการกิดเดินสมถะและวิปัสสนาเนี่ย จากสุขของปริยาของท่านจะได้เกิดขึ้นในการทําลายสมุทรเฉดเป็นจะทำลายกิเลสเป็นสมุทเฉดทวารได้ใครควรในลักษณะอย่างเนี้ยไปได้อย่างงี้ยเห็นไหมว่าเพราะจริงๆก็คือว่าเราไม่สา ม, มารถที่จะทําให้ให้ทานในกุศลนแข็งแรงไนดะ้เพราะผลของทานในกุศลคือเพราะว่าวิวิภวะสัมบัติประยุตฐานนะ่ะมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติใช่ไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือคือคือนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ความสิ้นจากพบชาตินั่นเป็นผลปรากฏเป็นอาการปรากฏในปัญญาเลยนะีอะไรเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ศรัทธาใช่ไหมศรัทธาประทัดฐานนั่นนะมีศรัทธาน่น ะ, นะเป็นเหตุใกล้ศรัทธาน่ะเป็นประทัดฐาน ศรัทธายประทัดฐานทีนี้ทําที่ถูกทานกุศลกําจัด ก, ก็คือโลภะและทำที่ได้รับอนุญาตจากทานกุศลนี้เกิดขึ้นก็คืออะโลภะทีนี้ตรงนี้เป็นตัวอะไรเป็นตัวตรวจสอบเป็นตัวตรวจสอบว่าอาโลภะทานเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นไหมพอดูตรงนี้ ถ้าเราต้องการบอกว่าเราเนี้เข้าถึงความสมบูรณ์ในด้านของทานใกุศลหรื อ, อยังสมบูรณ์ก็ในด้านของทานใกุศลหรื อ, อยังอันนี้ถ้ามองเนี่ยมันจะดูตรงไหนดูความว่าอะโลพายมันมากขึ้นและเรามองเห็นสิ่ง อ, งอื่นๆเนี่ยความมองมองหดึงสายต้นแบบของตัวเองความ ห, วหัวแข็ ยังมีอยู่ไหมอันนี้แปลว่าทานกุศลไม่มีกําลังนะถ้าทานกุศลมีกําลังแปลว่าอะไรมันจะน้องสละตลอดมันจะคิดสละคิดสละคิดให้ไม่ได้คิดเยอดติดไอ้คาว่าให้ในที่เนี้ยให้พ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมสละบริจาคนะเพราะพ่อแม่ก็เป็นเป็นอ่ะ เป็นอะไรต้งบุดเเป็นทักทิ้งในยะบุคคลเนี่ของบูดเนี่ยเ ป, เป็นแล้วเป็นทักทิ้งในยะแล้วเป็นต้นถ้าถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะนะว่าเรื่องว่าสกักจาะทานเนี่ยก็คือสะอาดสะอาดในที่นั้นก็คือกับกรณีของการที่ว่าการกระทําตัวเองแะทายธรรมนั้นให้สะอาดหมดจด สาดหมดจดก็คือว่าเนี่ยการได้มาเป็นต้นของมาต่งางๆเหล่านี้เขาเรียกว่าล้างมือนะเนียรล้างมือด้วยความสะอาดก็ให้ด้วยความโฟลโลคอไปนั่นนันคือขั้นต่อผลเป็นยังไงผลของทางชนิดเนี้มั่งขั่งแล้วก็คือหมายความว่าขั้งพร้อมไปได้วยกามคุณอย่างมขาขาสารบุตรภรรยาสามีข้าทาสคนใช้กรรมกรก็เชื่อฟังคํายคำ ให้ด้วยความเคารพเนี่ยเชื่อฟังถ้อยคำดังนั้นถ้าเรามีบุตรมีค่าทา้บริวานทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายไม่ค่อยเชื่อฟังท้อยคำอันนี้บ่งบอกถึงแปลว่าเราทํามาไม่ถูกทานกุศลที่ผ่านมาเราไม่ถูกเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อฟังเราไปสอนหนังสือก็เจอในคนดื้อเขามานี่เจอเยอะ <c oughs> <c oughs> เจอเยอะหมดแล้ว วามาให้ทานประเภทนี้ไม่ดีเห็นผลหรือยังแล้วแล้วไม่เจ็บปวดกลับมาเลยต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยบอกไปเธอเดี๋ยวเขาก็แย้งกลับมาใช่ไหมแล้วเป็นงานจริงไหมเนี่ยนี่อันนี้บริวารที่เราไปยึดว่าเป็นวัตถุวัตถุกรรงมันเลยเป็นของหน้าผูกมัดมันไม่ใช่หน้าสระเลย ไม่ใช่หน้าสละเลยยังวัดมองภรรยาเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทางฮะวัตถุกรรมวัตถุกรรมยังไม่ยอมสลักพยายามจะสละก็ต้องมองให้เป็นวัตถุทางใช่ไหมต้องมองะสมองมองมองคนมองถูกขาอด ก็น้อมน้อมน้อมจะน้อมสลากไงมันอ๋อเข้าใจกใจก็ใจนะก็คือว่าเดี๋ยวนะเอามาอธิบายไม่ถึงจริงๆแล้วเนี่ยเอามาพยายามจะไล่เรียงลำดับไปเนี่ยคือถ้าเตลิดไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวความเข้าใจมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามลำดับ ไม่เป็นไปตามลาดับที่พูดตรงนั้นเน่ยมันเป็นมหาทานแล้วนะมันเป็นมหาทานแล้วเ<ม>พราะจริงๆพอพูดตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับไปก่อนก็ได้สำหรับบุคคลที่จะคิดออกก่อนนะคือพระบรมศาสดาตรัสไว้บอกว่าปาณาติปาตาปฏิเวรโตภิกเรียริยาสาวะโกเป็นต้นเนี่ย บอกว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายอริยาสาวกเว้นขาดแล้วจากปานาดีบาย่อมย่อมอะไรให้ใช่ั้ยถ้าเราดูในชั้นของคำสอนเนี่ยจะเห็นได้ชัดที่พระพุทธเจา้าตรัสไว้บอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนี้นำความน่ารักน่าใไข่น่าพอใจเพื่อกเกื้อปูเลเพื่อความสุขแปประการแปดประการเป็นฉัไหนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลนำสุขมาให้ให้อารมณ์เลือกมีสุขมีผลเนี มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อเพื่อคูนเพื่อความสุขนี้ประการที่หนึ่งได้ไปตามลำดับอันนี้ก็แปลว่ามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระบรมศาสดาใช่ไหมก็หมายความบอกว่าถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงพระธรรมแล้วก็ถึงพระรยะสองว่าเป็น นำสุขมาให้ให้อารมณ์เล้อมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปราถนาหน้าไขา่หน้าพอใจเพื่อปูนเพื่อความสุขประการที่สามเป็นต้นตรงนี้ก็ประเด็นท่านเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสารณาคมสารณาคมท่านเน้นอย่างนี้เน้นยังไงท่านบอกว่าให้เรามีความรักในพระศ า, าสดาคำว่ารักในที่นั้นรักแบบศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพระบรมศาสดาว่า ว่าพราะบรมศาสดาเนี่ยมีความอนุอเคราะห์เพื่อกูลแก่เราทั้งหลายในบรรดาบุคคลที่ว่ารักเรารักเรานั้นน่ะไม่มีใครรักเราเท่ากับพระบรมศาสดารักบุตรของท่านเพราะพระบรมศาสดานั้นผูกเราท่านทั้งหลายไว้ในฐานะว่าเป็นบุตรของท่านท่านจึงมีความรักความปรารถนาดีกับเรา พระศาสดาตรัสรู้แล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยปล่อยศรัทธาไปในพระองค์ใช่ไหมไปในพระผู้เปากเจ้าให้มีความเชื่อมั่นเพราะพระบรมศาสดานั้นเป็นผู้ที่จะพาเราเนี่ยเข้าถึงความ พ, นพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมพระศาสดาเนี่ยให้เราเนี่ย ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อปูนก็คือต้องปรารถนาให้เราเนี่ยเดินตามท่านเพื่อเพื่อความทุกข์แล้วก็บอกบอกว่าเมื่อโรคมีอยู่เนี่ยหรือเมื่อเมื่อคนไข้มีอยู่เมื่อหมอมีอยู่เนี่ยการที่คนไข้ไม่ไปหาหมอไม่ไปพบแพทย์เนี่ยไม่ใช่ความผิดของหมอมเป็นความผิดของคนไข้ เรานี่คือผู้ป่วยนัพระบรมศาสดานั้นคือเป็นหมอเป็นแพทการที่เราไม่เข้าไปหาหมอแล้ะก็ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อมั่นหมอคือไม่เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความผิดของพวกเราเนี่ยมันเป็นความผิดของพวกเราเอาไม่เชื่อไงพระบรมศาสดาบอกว่าพุทธคาราวตาเคารพในพระพุทธเจ้า คำว่าเคารพในพระเจ้านี่เคารพอย่างไรอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าใช่ไอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรเวลาอยู่ต่อหน้าพระเจดีย์อยู่ต่อหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปก็ให้กระทำเท่ากับการอยู่ต่อหน้าพระศาสดาที่ยังดำรงพระชนอยู่ นั่นคือพุทธคาลาวตฏถ้าอยู่ต่อหน้าพระธรรมพระธรรมกำลังสแสดงอยู่อย่าให้กิเลสอย่าให้กิเลสมันไหลท่วมทับอย่าให้การประชันทาพยาบาทีนิมิ ธ, ธาอุทธจารกุจจาวิจิติชามันเกิดขึ้นในกระแสของความคิดกัจะเยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้ ข้าพเจ้าม่อ ก, กายถวายชีวิตแด่พระเจ้าใช่ไหมนิสมบัติของพระเจ้าก็ย่าให้กิเลสทุกปเปลาผู้ศอเนี่ยมาไหลพินท่า น, นไหนไหน ใ, ในใจเพราะจะมาถูกต้องสมบัติของพระเจ้าจะมาสายสมบัติของพระเจ้าให้เกิดขึ้นมันไม่ควรอีกอย่างหนึ่งยอมบวารเนี่ย ที่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้พระวังกระจิตมาเนี่ยและประเจริญศึกคือขันห้าที่เป็นไปกับกระแสพระวังที่กําลังเป็นไปเนี่ยที่เป็นเจ้าบ้านอยู่เนี่ยพระวังเหล่านี้แล้วก็กระแสะของเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและตัวรูปประขันที่เป็นกรรมชะโรบเนี่ยขันห้าเหล่าเนี้เป็นผลของอะไร เอาตามเหตุผลเป็นผลของกรรมเป็นเป็นบุญหรือเป็นบาปบุญคเป็นกุศลกรรมใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อเป็นกุศลกรรมก็แปลว่าเป็นผลของบุญใช่ไหมถ้าไล่ตามปฏิจจาก็คืออะไรวิญญาณตัวนั้นอ่ะผวางนั่นแหละนะในพระวจีวิญญาณเนี่ยคือผวังเทววิญญาณนั่นแหละคือวิญญาณขันธ เวทนาขันที่ประกอบในนั้นสัญญาสังขารที่ประกอบในนั้นและกรรมชรุปทั้งหลายเนี่ยเป็นผลของกุศลถ้าพูดตามหลังมงคลใช่ไหมผลของขันห้าที่เป็นพบภาวะเนี่ยนะที่ประจำพบชาติเนี้ยที่ลมหายใจยังไม่ขาดเนี่ยเป็นผลของบุญใช่ไหม เราต้องรู้คุณของบุญใช่หต้องระลึกถึงว่าบ้านหลังนี้ได้มาจากสมบัติของบุญเหมือนมรดกของพ่อแม่เราได้บ้านนี้เป็นบราดของพ่อแม่มาเนี่ยต้องรู้บุญคุณของพ่อแม่ไหมต้องรู้บุญคุณของพ่อแม่เมื่อกระแสขันคือผวังเป็นต้นเหล่านี้ เป็นผลของบุญเราที่อยู่บนบ้านนี้คือกลุ่มชาวนาทั้งหลายก็ต้องตระหนักเรืองรู้คุณของบุญใช่ไหมถ้ารู้คุณของบุญเขาเรียกว่ากตัญญยูถ้าตอนในขณะปัจจุบันนี้ไม่กระทำบุญเขาเรียกว่ากระตันอยูออยเป็นอัปมงคลมไม่รู้ผลของบุญ ไม่รู้คุณของบุญคนอากตันยูเนี่ยไปไม่ดีไม่เป็นมงคลไม่ได้อริยสัจแล้วไม่ได้สวรรค์ด้วยแล้วมาปล่อยให้กิลเลสเข้ามาเกิดในบ้านนี้เนี้ยควรไหมเนี่ยพ่อแม่ยกบ้านให้สั่งว่าลูก อย่ารับโจรมาเล่นการพนันในบ้านอย่ามาเปิดอบอายมุกในบ้านอย่ามาทำตัวไม่ดีในบ้านนะพ่อแม่ตายไปแล้วลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกคนนั้นจะเจริญไหมไม่เจรก็วันนี้เราได้วิบากของบุญมานั่งแทนแล้วแล้วทำไมให้บาปมาเกิด นี่เขาเรียกว่าไม่ตระหนักเห็นคุณของบุญแล้วจะได้ดีได้อย่างไรไม่เป็นมงคลหนึ่งในมงคลสามสิบแปดก็ไหนว่าเรียนมงคลมาแล้วไงยอมดรัตระดาเรียนมาแล้วทำไมไม่ทำให้เป็นมงคลคิดออกไหมยอมตุ้งคิดออกไหม เราได้บ้านหลังนี้มาเพราะถ้าเราได้สมบัติของแม่เราจะดูแลดีไหมทําอย่างดีเลยใช่ไหมพราะเราแต่นหนักในคุณของแม่นี่เราได้พวังได้ขันห้าได้กรรมชโลกมาจากบุญแล้วทําไมให้กิเลสอาศัยบ้านหลังนี้เป็นไปอยู่เราทําอะไรกันอยู่ ไม่เห็นคุณของบุญเนี่ยเข้าใจยังไม่เห็นคุณของบุญเราก็คือไม่มีกตัญญูไม่ตอบแทนคุณของบุญเขาก็เรียกว่านาากตัญญูแล้วเราจะได้มงคลอะไรเราก็เสียมงคลเลยทีเนี้ยไอเนี้ยมาพูดจริงไหมเนี่ยูจดจริงจริงเนี้ยไม่ได้พูดเล่นเลยนะเนี้ย พูตามพระธรรมอยากปลุกพวกเราขึ้นไงนี่ปีใหม่แล้วเพราะประธานนี้พวดแรงสรบปคำสอนว่าเราได้อะไรเอาเราเรียนสติปัฏฐานแล้วไงเออกระบกคุณธรรมขึ้นมาใช่ไหมเอาเอาเงินดีเลย คิดยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ได้ฟังอออันนี้เป็นเป็นเป็นผลของบุญจริงๆนะแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ต่อหน้าพระธรรมด้วยเนี่ยพระธรรมก็กำลังสแสดงอยู่แล้วตอนนี้ทำไมให้กรารมัชันท้าเกิดล่ะ ทำให้ปยาบาดเกิดทําไมถึงให้ขีหน้ามิทาเกิดให้อุทะจักหูจักเกิดทําไมให้วิจิกิจารเกิดอันนี้ก็แปลว่าอะไรไม่เคารพพิธามแล้วก็ไม่ไม่ไม่เลิกคนของบุนโม่หมดเลยแล้วอย่างนี้จะบรรลุยังไงครับพุทธเจ้าบอกมันรู้ไม่ได้ไม่มีพุทธคะลาวตาไม่เคารพพุทธเจ้าไม่มีธรรมกะราวตาไม่เคารพพิธาม ไม่มีสังฆาคารวตาไม่ลบขโระสงอามาเนี่ยจะพระองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยถ้ามันน่าอย่างเนี้เอางี้สมมุติยอมกินการนะเป็นทูตของประเทศไทยไปอินเดียถ้ามีใครกระทําดีต่อยอมกินการชื่อว่าทําดีต่อคนอไทยทั้งประเทศ ถ้าไปปฏิทุสลายโยมกิจการที่ว่าปฏิทุสลาคนไทยทั้งประเทศถ้าพระสงฆ์หนึ่งองค์มาบรรยายธรรมนั้นคือท่านเป็นทูตของสงฆ์มาแล้วของของพระัตนไตรามาแล้วเนะี่ยถ้าไปปฏิทุสลายก็ชื่อปฏิทุเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยได้คิดให้เป็นถ้าเราจะน้อมสงฆ์ให้เป็นจะได้น้อมถูกอย่าไป น, น้อมบุคคล ถ้าน้องบุคคลแล้วมันเสียหายบุคคลเนี่ยผิดได้แต่สงเนี่ยผิดไม่ได้เพราะเป็นอาเรียอันนี้เขาเรียกตัวแทนสมมติสงที่มากับลูกวาเป็นสอมนีนนถ้าเราน้องเป็นจบุญจะได้เกิดถ้าเราน้องไม่เป็นแล้วมันจะไม่กระทบคุณของบราตนาไตร ม, มันก็จะติดอยู่ที่ตัวบุคคลนี่แหละ เนี่ยเขาเรียกเครสงศสังฆาคารวตาที่มองให้เป็นเขาไม่ได้มองในตาเนื้อเขามองกันด้วยตาปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้จะได้ชัดแล้วจะได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยเออเดี๋ยวนี้ยอมพิทยาค็ยจะมองเห็นนม ต้องไปช้าๆเยอะนะได้ข่าวเราพิจยาเราพูดเร็วเ็เลยพูดชราๆอ่ะเดี๋ยวนี้ต่อก็อต่อไปได้รืยห้าสิบนาทีเดี๋ยนี้ต่อหน่อตรง น, นี้ดุเพราะ เมื่อีมีคําถามอ่ะมาจะตอบคําถามอมาก็เลยต้องลากยาเดี๋ยวแล้วก็ศิกขาคารวตาเคารพในสิกขาสามนั่นแปลว่าการทําสิกขาสามให้บริบูรณ์ชื่อว่าสิกขาคารวตาเพียรพยายามเพื่อจะทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็อีกข้อนหนึ่งก็คือว่า สมาธิคารวตาคารพในสมาธินั่นก็หมายความว่าเพียรพยายามทําสมาบัติแต่แต่จริงๆเอาตั้งแต่บริกรรมาสมาธิและอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั่นเองให้เกิดขึ้นส่วนอัปปมาทคารวตาคารพในความไม่ประมาทการเคารบไม่ประมาทก็คือว่าในขณะที่ฟังพระธรรมนี่นะก็ระลึกตามไปได้ทุกระดับ ไม่ปล่อยสติให้ขาดเพราะธรรมชาติของสตินั้นเนะ่เป็นธรรมชาติที่ระลึกได้ตามระลึกได้ใช่หระลึกมั่นไหมต้องระลึกมั่นได้เองแล้วถ้าทำสภาพทาที่เกิดพร้อมกับตนให้ลึกมั่นประดุดดัางแผ่นหินที่จมให้รอยกับเบือ้อหรือไม่น้าเตา้าไม่ลอยเหมือนกันน้ำเตา้าและในขณะเดียวก็คือระลึกไปตามคำสอน ระลึกได้ตามลําดับไหมถ้าสติเนี่ยระลึกได้เป็นไปตามลําดับย้อนระลึกได้ไหมไถ้าหยุดแล้วย้อนระลึกก็ได้พูดอะไรมาเรียนไหมระลึกตามก็ได้ระลึกย้อนก็ได้จําได้ไหมจําได้ระลึกได้จําได้ไดนะนึกก็ออกจำก็ได้ไม่ฟันฟ่นเฟือนไม่เลือ่อเลยนี่ลักษณะ น, นี้สติชัดเลย นี่เขาเรียกว่าเนี่ยอปมาตคาราวตาเคารพในความไม่ประมาทก็เป็นอย่างนี้ไหม<น>อันนี้ค่ะนี่เหตุการไม่บรรลุนะแล้วก็ปฏิสันถาคาราวตาเคารบในปฏิสันถาก็มาอย่างที่เนี่ยเจ้าเจ้าของถิ่นก็เคารบโดยอามิตรอาหมิสก็คืออะไรตอนรับด้วยสิ่งของเห็นไหม ตันี้เป็นจารีจารีสีและเขาลบแล้วก็ทำมปฏิสันฐานเขรลบโดยทาก็คือไม่สนทนาเรื่องอื่นสนทนาทุกเรื่องเป็นไปโดยธรรมนี่เขาเรียกว่านี่เป็นเหตุบรรลุเลยถ้าใครทำได้เนี้ยนะถ้าจะคุยกันเรื่องสัพเพยะที่จะเป็นบาป ก, ก็ต่างพูณต่างนิ่ง เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าพุทธบริษัทมีคารวะธรรมเจประการเนี่ยชัดเลยเนี่ยนะนั้นี้ย่อๆเป็นอย่างนั้นทีนี้ประเด็นที่ถามบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ใครถามว่ามองมองอะไรเนี่ยจะเป็นทานได้อย่างไรมองลูกศิษย์ภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งเลย ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยอันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งอยู่ไม่ทอดทิ้งอยู่แปลปัจจุบันนะจากไม่ทอดทิ้งแม้ในอนาคตเมื่อพระศาสดาปรินิพานโดยรู ป, ปกายแล้วเนี่ยก็จะไม่ทอดทิ้งอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่คัดค้าน5ประการเป็นอย่างไรเพศสุทั้งหลายอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ลปปะปานอดีบาล งดเว้นจากปันาริบัตพริกตุทั้งหลายอริยาสาวกงดเว้นจากปานาริบัติแล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่ศัตหะประมาณมีได้คันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่ศัตว์ทั้งหลายหาประมาณนมีได้แล้วย่อเป็นผู้มีส่วนเห็นความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณนี้ได้เอามามองเห็นทระดชะพกุก เอ ม, มาให้ได้ไหมเอา ม, มาให้ได้ไหมไให้มหาทานไงเอา ม, มาบอกว่าขอให้ดรัศดาจงปลอดภัยในชีวิตนะเอา ม, มาไม่ไปม่ดไปเบียดเบียนไม่ไปฆ่าไม่ไปโกรธไม่เปกระทุบร้าย <c oughs> เห็นไหมไม่ไม่ มาจากกรรมอย่างไรก็ดําเนินไปตามบุศสร ก, กรรมอย่างนั้นขอให้มีชีวิตยืนยาวด้วยขอให้มีความสุขด้วยามาจะไม่เคยชิดเบียดเบียนตั้งแต่คลายผมอย่างนี้ไม่จะไม่จะทําการประหัดประหารในชีวิตของโยมเลยถามว่ามาให้หนึ่งชีวิตเนี่ยกระทบคนเป็นร้อยเป็นพันไหมถ้ า, ามาไปเบียดเบียนตูมลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพัน เศร้าใจไหมยากมิตรเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงคนที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่เทพเทวดาทั้งหลายที่อารักดูแลอยู่เขาจะโกรธกันตีอี่ชั้นทอดนั่นไงอมาชื่อว่าให้ความไม่เบียดเบียนให้ความไม่มีเวงไปแก่คนทั้งโลกแก่คนทั้งโลกเข้าใจข้อนี้ไหมแก่คนทั้งโลกหาประมาณไม่ได้ เพราะเอาหนึ่งชีวิตนะ่ะกระทบทุงชีวิตเราก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันโดยโดยอะไรโดยคิดถึงนักดราดิเป็นต้นนี่ให้หรือยังนี่เป็นมหาทานไหมนี่ไงวินพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นมหาทานบัณฑิตรู้ว่าเป็นเลิก มีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเกา่าไม่ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้งอันบัณฑิตทั้งหลายไม่ทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันด้วยและบัณฑิตจะไม่ทอดทิ้งในอนาคตด้วยก็คือ น, นี่ไงมดเว้นจากการปฏิบัติเราไม่ฆ่าทีนี้ปริมาณของเม็ดกุศลที่ออกมาและระดม อ, ออกมาได้จริงๆริงหรือไมเมื่อเราเห็นวัตถุชิ้นนี้ถ้าเราเห็นวัตถุทานในนี้ยก็ถ้าเราน้อมสละให้ชีวิตเขาแล้วเนี่ย อย่างนี้เป็นไหมและก็ไม่ใช่ไม่เบียดเบียนชีวิตเท่งนั้นอะ่ะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินทรัพย์ของดอรรดาก็จงเป็นของดอรรด า, ามาก็จะไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปคิดรักคิดขโมยคิดที่จะคดโกงเอาเลยเนี่ยน้องไปในลักษณะเนี้ใช่ควรวิจัยไปอย่างเงี้ยแล้วก็กระทบกับทรัพย์บุคคลอื่นด้วยก็จะไม่ไปเบียดเบียนเป็นต้นด้วย ให้ความปลอดภัยในชีวิตด้วยในทรัพย์สินด้วยให้ความปลอดภัยในฐานะที่ว่าไม่ไปแย่งชิงในฐานะว่าเป็นบุตรภรรยาต่างๆเป็นต้นด้วยไม่เป็นเป็นทุจร้ายเกิดการแตกแยกด้วยแล้วก็จะพูดแต่คําสัตว์คําจริงด้วยวกับวัตถุชิ้นเนี้ยนะแล้วก็จะไม่พูดให้แตกแล้วจะให้มีความสมัครสมานสามัคคีแล้วจะพูดคําวาจาไปลออไม่พูดคําหยาบใช่ไหม แล้วจะไม่พูดเพืนเจ้อจะพูดเป็นอัดเป็นธรรมจะให้คําสอนเป็นต้นไปตามลําดับถามว่ามหาทานนี่เป็นไปตามลําดับไหยเป็นเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบนี้ไงเราไม่ได้คิดอย่างนี้ไงในขณะที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายแล้วอย่างนี้กุศลถ้าทานระดับทานธรรมดาไม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ฝึกมาจากทานธรรมดามหาทานนี้จะฝึกได้ไหมฝึกได้แล้วไม่ต้องพูดถึงระดับ ระดับบนแล้วกุศ <c oughs> ลไม่ถูก <c oughs> ไม่ถูกดึงขึ้นมาแล้วนี่ไงปริมาณของกุศลปริมาณเม็ดบุญหนึ่งบุคคลนะหนึ่งบุคคลเนะี่ยเมื่อมามองเยาวิกาปุกหนึ่งบุคคลนะี่มองปุ๊กนะถ้าเป็นโรงงานผลิตบุญให้มาได้ นี่คือว่ามาไม่ขาดทุนกันเป็นโรงงานผลิตบุญผลิตกุศลห่วงบุญห่วงกุศลอย่างมหาศาลเกิดเลยในชั้นของทานกุศลธรรมดาก็เกิดแล้วก็ในชันของมหาทานทุกข้อก็เกิสดสะดวกก็คือว่างดเว้นจากปานติบาศได้เพราะใส่วัตถุชิ้นนี้งดจากอชินนาทานการเมสุมิจชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสว า, าสราสัมภาราปะและวก็งดเว้นจากความไม่โลภแล้วก็ความไม่โกรัใช่ไหม คือน้อมใจไปในไม่โลภในวัตถุถเหล่านี้ในบุคคลคนนี้ก็คือไม่โกรธแล้วก็ไม่เห็นผิดถามว่ากุศลตามบทจะไหลยอยู่ตลอดเวลาไหมเมือม่อเมือม่อนึกนึกถึงบุคคลคนนี้นแล้วโดยข้อที่จริงเนี่ยเรานึกถึงใครแล้มันไหลแบบนี้ไหมมันไล่ไปตามลําดับอย่างนี้หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามลําดับอย่างนี้แปลว่าห่วงบุญห่วงกุศลไม่เกิด เมื่อไม่เกิดแปล ว, ว่าเราเช็คดูคุณธรรมภายในเราแล้วมันไม่ขึ้นปีใหม่แล้วพรไม่ได้ยังไม่ให้<ด>พรเข้าใจยังยังให้พรไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะคุณธรรมในใจไม่เกิดไงต้องให้เกิดให้ไหลกุศลกรรมบวชสิบ ท, ที่เกี่ยวข้องต้องไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลาเ่งนี้นะถ้าอย่างเงี้ยใช่ อ๋ออันนี้เป็นในทางด้านของมหาปริจาคมาทางนี่ยงก็เป็นก็ต้องเป็นมหาอาจารย์เนี่ยเาอาจารย์บบริสัทร คืออย่างนี้ได้ได้อ๋อนั่นเป็นบารมีนั่นเป็นบารมีคืออย่างนี้คือในด้านของหมาปริจาคะเนี่ยแปลว่าท่านให้ทั้งหมดเลยให้ชีวิตเป็นทานด้วยใช่ไหมสรุปก็คือให้ทั้งทานะบารมีทานนอุปบารมีและวทานนะรรมะของที่นี่งทีต่อแต่พอมหาคานมีกลางไม่คือต่อมีแต่คนที่ไม่ที่งใจเรื่องพรากหนดอน คือการที่สวัดิ์ให้ที่ถึงระดับรับได้ที่ถึงโยมวัดการที่จะให้ให้ชีวิตเขาผูขาดจากการที่เราให้คนที่เป็นเกี่ยวข้องกับพญาทุกคนมันมันมันเ่ยมคนประยัดแต่ไมใช้ความท่ามหาฐานนะคือถ้าคือจริงจริงจริงมองถึงในด้านของมหาทานเป็นเป็นมหาฐานเพราะอยู่ในชั้นของระดับของศีลนะ แต่ว่าอเสีม้่ค่ะมันเป็นความความที um, ่ความสลับของกางขอเรื่องที่วกิเราที่ประสบมาที่ที่เราจะให้ความใหตใจให้ชีวิตขนี้การรักษาชีวิตของผู้อื่นนะคะในแย่ความวางใสุขในแย่ความตับแต่ว่ามัที่สับทอยนั้ตรงนั้นท่านเป็นมหาปริยญาค่ะเเป็นการการสลับใหญ่เนาะ ทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือว่าสละ น, นั้นแปลว่าเป็ น, เ ป, นเป็นปรมัตธรตระีเพราะการให้ยันชีวิตเป็นฐานยันชีวิตเป็นทานถ้าเขาจาไปฆ่าก็ได้จิตใจจะไม่เสียอันไหนการที่สุนทรีการที่เป็นวิอมันอยู่ในข้อของวิรตีใช่เป็นอภัยาทานด้ว ย, พยเพราะมีหลักฐานอยู่ในเ อ, อ หลกฐานอยู่ในท่านใช้คําว่าอย่างนี้มาจากคาว่ า, าอภยังเทติอาคตัฐานีวิรติฐานังมาในกระถาวถัตถุการกล่าวคาให้อภัยนั้นการให้อภัยนั้นเชื่อวิรติฐานเป็นวิรติฐานเป็นวิรติฐานเพราะตัววิรติมาตัดหลอนมาตัดหลอนเวรเจตนาภุสุมาในกระถาวัตถุ มันจะวินวิจทานัก็จะงทนั่นต้องเอบริจาค่ะนตงนี้ด้ามันคอต้องมีความก่างกว่าลักษณะาจะเป็นทางขรงมาบุรทีนี้ถ้ามองอย่างนี้นะว่าทำไมทาไมชาวพุทธไม่ไม่ค่อยถูกปลูกขึ้นมาให้มีความรู้สึกว่าเดินทานอนุสสน อย่าลืมนะว่า mm hmm. พระบรมศาสดาทรงสอนทานอนุสลเพื่อทําลายกลุ่มราคะจริตคนที่ติดข้องในวัตถุกรรมมากๆทั้งหลายเหล่าเนี้ย mm hmm. ก็จะมีความวิจิตในวัตถุกรรมก็ไม่น้อมที่จะสละไม่น้อมที่จะบริจาคไม่น้อมที่จะให้ไม่น้อมที่จะให้บุตรภรรยาสามีเพื่อนฝูงต่างๆเป็นไปตามลําดับนี้นะเพราะตัวราคะเข้าไปฉาบติดวัตถุนั้นเรียบร้อยไปแล้วนั่นพระศ า, าสดาก็เลยสอนทานอนุสม ใชทานนิพพุสสน์แล้วบอกว่าเป็นของที่ทําง่ายที่สุดนะในบรรดาบา ร, รมีทั้งสิ้นนี่นะทานนิบา ร, รมีเป็นบา ร, รมีที่ทําง่ายที่สุดนันเนี่ยก็คิดดูที่ใ น, นระดับง่ายของหมหาบุตรท่านนี่นะแต่ยากยากสําหรับถ้าหากว่าเรายากแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเรื่องกิเลสเพราะที่สุดจริงๆปาริจาค่าจริงๆมนนัสละกิเลสและขันยังไที่เราตั้งตั้งหลักกันก็ไว้ที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยอันนี้เราสลัดอย่างนี้มันก็ทําลายโลภะไปเรื่อยนะอย่าลืมนะโลภะทำลายโลสะทำลายใช่เพราะทําลายโลภะนั่นแหละเพราะโลภะเป็นสมุทรยาาาิยะสัจจะนะเป็นเป็นสมุทัยของโ ท, โทสะเพราะไอ้ความตณหนีมันไปอยู่กับโทสะเมื่อทําลายโลภะนั่นแหละชื่อว่าไปตะทบไปตัวโทสะคือมัจฉริยะนุย้ย อ๋อต้องมีความตัวตัวเมตตาคืออย่างนี้ต้องต้องนับให้ถูกคือหลักหลักก็คือหลักเนาะคำว่าโลภะสนรสังเนี่ยกิจของทานดกุศลเขาทำลายอยู่ตรงก็คือตัวโลภะคือตัวสมุทัยพอบอกว่าทําลายโลภะเนี่ยโทสะก็ถูกทําลายด้วยโมหะก็ถูกทําลายด้วยเพราะความเข้าใจจากวิจัยทางนั้ยคิองมอตรงนี้ฮะที่อยู่แบบตรงจิตตรงไหนเป็น การที่จะเล้ยงยายชีวูตตัวเองเบี้คกลาเนี่ยมันก็มาจากความความเม่กล า, า อ, อ๋อคืออย่างนี้อ๋องั้นพูดเป็นคนลประเด็น <c oughs> ประเด็นจริงๆถ้ามองมหาทาน <c oughs> ถ้ามหาทานนั้นขับเน้นชีวิตถ้าข้อแรกอันนั้นถูกต้อง <c oughs> ขับเน้นไปตัวนั้นแต่อย่าลืมนะคนที่จะเดินมหาทานได้แปลว่าทานที่เป็นวัตถุทานเนี่ย <c oughs> เจตนาที่เป็นไปของวัตถุ น, นี่ <c oughs> แข็งแรงแล้ว ที่จะกรณีที่จะขยับขยื่นเคล่อนไปเป็นหมาทานก็ไปดูในอังคุตรนิกายก็ดีในทีคณิกายก็ดีที่ท่านใช้คำว่าการให้เนี่ยชื่อไปการฝึกฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกการไม่ให้ชื่อว่าบทุษสลาจิตที่ฝึกแล้วแปลว่าอะไรหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยการฝึกไปเป็นตามลําดับเนี่ยนะการสละ การเห็นเป็นวัตถุทานไม่ไปเห็นด้วยความเป็นวัตถุกลามเนี่ยอันนี้เขาจะฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกต่อมาก็ฝึกเป็นไปตามลําดับเป็นเสร็จแล้วต่อมาก็คือไปพัฒนาสู่มหาทานใช่ไหมมหาทานก็คือการที่ว่าให้ชีวิตให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยากับบุคคลอื่นให้คําสัตว์คําจริงให้ความสมัครสมานสามัคคีให้ให้คำไพเล้ะ ให้คําเป็นอักเป็นธรรมให้ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ให้ความเห็นที่ถูกต้องเป็นตัวเหล่านี้เป็นไปตามลำดับนี่นะการน้อมสลานั้นน่ะแล้วก็น้อมไปน้อมใจเป็นไปในเมตตาเนี่ยถ้าไม่ให้อย่างเนี้เชื่อว่าเป็นการเป็นประทุศร้ายจิตที่ฝึดเป็นปทุศร้าย ฉะนั้นการไม่สละทุกระดับนั่นเองจริงๆแล้วตั้งแต่ระดับเบื้องต้นด้วยแล้วก็ระดับที่เป็นมหาฐานด้วยก็เป็นการประทุษร้ายจิตที่ฝุกแล้วจิตที่ฝึกเลยเวลา